บุกทูเจ็ดสิบสามเซเด็กทรีได้รับอนุญาตได้ไรติฟารีออนคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือชูวิยมไรตัสสตีรีอัลตัน คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรืออนุญาตได้ไรี้เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ ชูนไรตัสฟูมิจตตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะชูออนไรัสฟูมิจตะจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะชูออนไรัสพาิเอร์เครดิตคาร์โตจ่ายเช็คได้ไหมคะชูออนไรัสพาิเอร์เชคกจ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ ชูไรตัสพากนูรคอนนเขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะชูมีไรตัสนูรเทเลโฟนีขอถามอะไรได้ไหมคะชูมีไรตัสนูรเดมันดิเอียนขอพูดอะไรได้ไหมคะชูมีไรตัสนูรดิริเอียนเขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ ลินเเเขานอนในรถไม่ได้เเขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ l ินเนร่าเเราขอนั่งได้ไหมคะยตั si เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ ชุดนี้ไรตัสฮาวิลเมนูนเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะชุดนีไรตัสพากิอาาร์เต